เรื่องเล่าผีหลอนตอนสยองตึกเช่าย่านพระรามสองเรื่องที่เรานำมาเล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราและครอบครัวของเขาซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตึกเช่าแห่งหนึ่งในย่านพระรามสองซอยนี้จะเป็นซอยใหญ่ติดกับถนน ที่พักอาศัยแถวนี้เป็นตึกแถวแทบทั้งหมดบางก็มีสี่ชั้นห้าชั้นแตกต่างกันไปครอบครัวของเพื่อนเราเขามีมีบ้านเป็นของตัวเองเขาต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าเพราะเจ้าของบ้านเขาจะขายบ้านพ่อของเพื่อนจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่กับน้องชายที่เช่าอยู่ตึกนี้เพราะตึกมีหลายชั้น แบ่งกันอยู่แชร์ค่าเช่าก็จะได้ถูกลงสมมติว่าเพื่อนเราชื่อพิมพ์แล้วกันนะคะพ่อก็พาแม่และพิมพ์มาดูที่ตึกโดยชั้นล่างที่อาของพิมพ์เช่านั้นเป็นร้านเกมพอขึ้นมาอีกชั้นก็จะเป็นชั้นลอยเอาไว้เก็บของเป็นชั้นโลง่ลงๆที่ไม่มีห้องไม่รกพอขึ้นไปอีกเป็นชั้นสอง อของพิมพกับแฟนก็นอนชั้นนี้แล้วถัดไปก็เป็นชั้นสซึ่งมีสองห้องคือห้องที่ติดกับบันไดาทางขึ้นที่มาจากชั้นสองซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่บริเวณหน้าห้องใหญ่นี้จะมียันติดหน้าห้องอยู่5แผ่นซึ่งมีขนาดใหญ่มากมีตัวหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาจีนและห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดาทางขึ้นไปชั้นสี่ ซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องเล็กแม่ของพิมพเมื่อเห็นห้องเล็กนี้ก็เลยบอกว่าให้พิมพมานอนห้องนี้แล้วกันเล็กดีเหมาะกับการนอนคนเดียวอาของพิมพ์ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะห้องนี้นอนไม่ได้แม่ของพิมพ์ก็เอะใจว่าทำไมถึงนอนไม่ได้แต่อาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพิมพ์ก็เลยได้ไป น, นอนที่ห้องใหญ่ส่วนพ่อกับแม่ ก็นอนห้องข้างบนชั้นสี่ก่อนจะย้ายเข้าไปอยู่แม่ของพิมพ์ก็คุยกับพ่อว่ามันดูแปลกๆนะทำไมห้องนั้นถึงนอนไม่ได้พ่อของพิมพก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอนห้องใหญ่ก็ดีแล้วมันกว้างดีมีระเบียงด้วยในคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่พิมพ์ก็เล่าว่าปกติไม่เคยนอนคนเดียวเลย นี่เป็นครั้งแรกตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มพิมพก็อาบน้ำเตรียมตัวนอนแล้วเพราะเหนื่อยกับการจัดเก็บของพิมพนอนหลับไปแล้วจู่ๆก็มีเสียงคนมาบิดลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาพิมพก็ตกใจตื่นหยิบโทรศัพท์มาดูก็เป็นเวลาเ ก, เกือบเที่ยงคืนแล้วพิมพบอกว่า ตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะคิดว่าอาหรือแม่คงจะมาเช็คว่าหลับไปหรือยังพอเช้ามาพิมพ์ก็ถามว่าเมื่อคืนใครไปบิดลูกบิดประตูห้องหรือคำตอบของคนในบ้านก็คือไม่มีอาเข้านอนตั้งแต่สีทุ่มส่วนพ่อกับแม่ก็หลับเวลาเดียวกับพิมพิพมพก็งง เพราะมั่นใจมากว่าไม่ได้ละเมอแน่นอนในวันต่อมาก็ยังมีเสียงแบบเดิมเวลาเดิมแต่คราวนี้เริ่มหนักขึ้นเพราะเหมือนพยายามดันประตูมีเสียงเหมือนมีอะไรกระแทกประตูเหมือนต้องการจะเข้ามาพิมกลัวมากไม่กล้าลุกไปเปิดไฟดูได้แต่นอนคลุมโปงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อย จนบางครั้งพิมพ์ก็มาบ่นที่โรงเรียนว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยพิมพ์เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกสาวจะเจออะไรก็เลยพาพิมพ์ไปทําบุญหลังจากนั้นพิมพ์ก็หลับได้สบายขึ้นแต่ก็มีเสียงเคาะประตูกับเสียงเหมือนคนกระแทกประตูมีให้ได้ยินเป็นบางคืนวันหนึ่ง มีคนเก็บขยะเดินเข้ามาคุยกับอาของพิมพ์ว่าขยันจังเลยเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนรวยแล้วมัง้งอาของพิมพ์ก็อึง้งเพราะร้านเกมของอาเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนี่ก็ถือว่าดึกสุดๆแล้วปกติถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นอะไรต่อหาทุ่มก็ปิดร้านแล้วอาของพิมพ์ก็เลยบอกคนเก็บขยะว่า ผมปิดร้านตั้งแต่ห้าทุ่มนะลุงดึกสุดก็ไม่เกินเที่ยงคืนลุงตาฝาดหรือเปล่าลุงแกก็เถียงจะตาฝาดอะไรฉันยืนเก็บขยะหน้าร้านข้างในก็เห็นมีผู้หญิงผมยาวกับเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้อาของพิมพ์ก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปจากเรื่องที่คนเก็บขยะเล่าให้ฟังแม่ของพิมพ์ก็ไม่สบายใจมากยิ่งขึ้น บวกกับสิ่งที่พิมพ์เจอด้วยแม่ก็เริ่มสงสัยอาก็เงียบไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังทั้งนั้นพ่อของพิมพ์เองก็ว่าแม่คิดมากไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกต่อมาพิมพ์ได้ลูกแมวจรจัดมาเลี้ยงพิมพ์เลยเอามันขึ้นมาอยู่ที่ห้องด้วยเพราะห้องนอนของเธอกว้างตอนหัวค่ำพิมพ์จะเปิดประตูห้องแล้วดูทีวี แม่ก็จะอยู่ชั้นลอยทํากับข้าวอากับแฟนก็จะอยู่ชั้นล่างเพื่อดูร้านเกมส่วนพ่อของพิมพ์ก็ทํางานกลับดึกระหว่างที่พิมพ์ดูทีวีอยู่นั้นลูกแมวที่อยู่ด้วยกันก็มีอาการแปลกๆเพราะอยู่ๆมันก็เดินเข้ามาใกล้ๆประตูห้องแล้วร้องขู่พิมพ์เห็นก็งงว่าแมวเป็นอะไรจึงเรียกแมวให้กลับมานั่งข้างๆ แต่มันไม่ยอมมาและยังคงร้องขู่แล้วทําท่าทางเหมือนกลัวอะไรสักอย่างพิมพ์เลยเดินไปอุ้มแมวมาแล้วพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรร้องทําไมเพราะข้างนอกก็ไม่เห็นมีใครเลยชั้นสามที่อยู่ก็มีพิมพ์กับแมวตอนนั้นเองพิมพ์ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกแมวคงยังไม่คุ้นหรือเปล่า แต่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่แมวแสดงอาการแบบนี้บางครั้งแมวจะวิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่ามีใครไปไล่มันทั้งๆที่ก็ไม่มีใครพิมพ์เองก็เริ่มกลัวและไม่กล้า ย, ยู่ชั้นสามคนเดียวบางครั้งพิมพก็ต้องเปิดไฟทั้งชั้นเพื่อลดความน่ากลัวมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พิมพ์เล่า ว, ว่า เธอเดินขึ้นบันไดจากชั้นสองเพื่อจะมายังชั้นสามแล้วจูจ่ๆก็เหมือนมีอะไรผลักพิมพ์ให้ตกบันไดแต่โชคดีที่มือของพิมพ์ไปจับราวบันไดไว้ทันแต่เอวของพิมพ์ก็กระแทกกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทําให้เธอเจ็บไปหลายวันพิมพ์บอกว่ามั่นใจว่าไม่สะดุดหรือลื่นอะไรทั้งนั้นแต่ถามว่า อะไรผลักเธอตกบันไดเธอก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แม่ของพิมพ์ก็สั่งให้ระวังเวลาเดินขึ้นลงเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้มาเรื่อยๆจนพิมพ์เริ่มชินทั้งเรื่องเสียงลูกบิดและเสียงของประตูห้องไปแล้วคนที่อยู่ในละแวกบ้านเห็นร้านเกมของอาเปิดตอนตีสามตีสซึ่งความจริงแล้วร้านปิดตั้งแต่เที่ยงคืน ถึงจะเหลือลูกค้าแต่ก็จะบอกว่าร้านจะปิดลูกค้าเขาจะพากันกลับอาของพิมพ์เปิดร้านที่ตึกนั้นมาเป็นเวลาเจปีก็ค่อนข้างสนิทกับลูกค้าที่มาเล่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าขาประจำวันหนึ่งขณะที่พิมพ์ซื้อขนมข้างบ้านอยู่นั้นเขาก็ถามว่าเป็นยังไงอยู่ได้ไหมเป็นปกติดีไหมพิมพ์ก็งง แต่ก็ตอบไปว่าอยู่ได้ไม่มีอะไรป้าที่ขายของก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วแกก็พูดว่าพิมพเป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทำร้ายพิมพได้หรอกเนื่องจากร้านขายของข้างบ้านเป็นป้าคนจีนแก่ๆสองคนบางครั้งที่ไปซื้อของพิมพ์ก็ไปช่วยป้าแกยกของจัดของอยู่เป็นประจำพิมพ์เป็นผู้หญิงตัวเล็ก แต่เธอมีน้ำใจกับทุกคนมากช่วยอะไรได้เธอก็ช่วยหมดจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรมากอาจจะด้วยเพราะพิมพชินกับการอยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นที่ชั้น4ซึ่งเป็นชั้นที่พ่อแม่ของพิมพนอนอยู่วันนั้นก่อนนอนแม่ของพิมพก็ล็อกห้องตามปกติโดยล็อกกลอนที่ลูกบิด และกรอนที่เป็นกรอนล็อกยาวๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอยู่ๆคืนนั้นพ่อของพิมพก็เกิดร้อนเลยลุกขึ้นไปอาบน้ําตอนตีสในห้องน้ําชั้น4ต่ตำแหน่งจะตรงกับห้องเล็กชั้น3ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องนอนของพิมพหลังจากที่พ่อของพิมพอาบน้ําเสร็จแล้วจู่ๆก็มีเสียงบิดลูกบิด แม่ของพิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ๆกรอนที่เป็นกรอนยาวมันก็เด้งออกจากตัวล็อกเองมีเสียงดังป๊อกแม่ของพิมพ์ก็เริ่มใจไม่ดีแล้วเลยลุกไปล็อกกรอนยาวอีกทีพ่อของพิมพ์กลับมานอนที่เตียงเสียงลูกบิดก็ยังคงดังอยู่เรื่อยเริ่มทําให้เกิดความน่ารําคาญพ่อของพิมพ์ จึงลุกขึ้นไปใช้มือตบประตูนหนึ่งครั้งแล้วก็ล็อกกลอนจากนั้นก็กลับมานอนแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพ่อของพิมพ์บอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้พิมพ์ฟังเพราะเดี๋ยวพิมพ์จะกลัวเช้ามาที่ห้องเล็กชั้นสามมีน้าขังเนื่องจากท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากชั้นสี่เกิดรั่ว ทำให้มีน้ำขังในห้องเล็กที่ชั้น3แม่ของพิมพ์ก็จัดการกวาดเก็บให้เรียบร้อยนอกจากนี้พิมพ์ยังเล่าว่าเวลาไปอาบน้ำบนชั้น4ซึ่งปกติเธอจะอาบอยู่ชั้นสองแต่วันนั้นเธออยากลองไปอาบที่ชั้น4ดูเพราะที่ชั้น4มีอ่างอาบน้ำก็ตามประสาผู้หญิงอยากนอนแช่น้ำขัดตัวแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิด พิมพรู้สึกว่าระหว่างอาบน้ําเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทําให้เธอเกิดความรู้สึกไม่สบายใจและกลัวด้วยเธอจึงรีบอาบน้ําแล้วรีบลงมาแล้วเธอก็เล่าต่อว่าเวลาที่นอนนั้นไม่ว่าจะเป็นหลับตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากระชากเธอความรู้สึก เหมือนมีคนมาดึงทำให้เธอตื่นกลางหนึกหรือตื่นเวลาที่หลับพักผ่อนตอนกลางวันเป็นประจำพิมพ์บอกว่าแม่ว่าเหมือนมีใครมาดึงพิมพ์ให้หลุดออกจากร่างเลยความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นทำให้พิมพ์สะดุ้งตื่นทุกครั้งแม่ของพิมพ์ก็เริ่มกังวลใจเพื่อนของแม่พิมพ์เลยพาไปหาร่างทรงคำตอบที่ได้ก็คือ ร่างทรงบอกว่ามีผู้หญิงตายทั้งกลุ่มเขาอยู่ที่นั่นมานานมากจนกลายเป็นเจ้าที่ของที่นั่นไปแล้วให้เขาออกไม่ได้หรอกทำได้แค่ทำบุญหรือเอาของไปเส้นไหว้แม่ของพิมพ์เมื่อได้ทราบดังนั้นก็รู้สึกช็อกกลับมาบ้านเลยเรียกอามาคุยอาก็ยอมเล่าให้ฟังอาบอกว่า ได้ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าเคยมีคนตายตึกนี้เคยเป็นตึกที่เท่าแก่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้าที่มีคนงานเยอะแยะแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีจึงต้องปิดกิจการไปมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยังไม่อยากย้ายออกเพราะรอสามีมารับลูกจ้างคนอื่นๆต่างทยอยออกจนหมดทำให้เจ้าของตึกเข้าใจว่า ไม่มีคนอยู่แล้วจึงล็อกประตูจากด้านนอกพอมารู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมารับก็พบว่าเธอได้กลายเป็นศพไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็ทำบุญเชิญพระมาสวดเชิญสินแสมาแต่ก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะผู้หญิงคนที่ตายเธอยังอยู่ในตึกนั้น ห้องเล็กชั้นสาคือห้องที่พบศพของเธออาเล่าต่อว่าใครมาเช่าตึกที่นี่ก็จะอยู่ได้ไม่นานบางคนคนข้าวของออกไปตอนกลางดึกมีครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำสายไฟใหม่ที่ตึกคนงานก็นอนที่ห้องเล็กนั้นซึ่งเขานอนกับภรรยาของเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องก็นอนอีกห้องเขาเล่าว่า แฟนนอนอยู่ฝั่งซ้ายกลางคืนเขาหันไปทางขวาซึ่งเท่ากับนอนหันหลังให้แฟนเขาก็รู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างๆอีกฝั่งก็เลยลืมตาแล้วมองปรากฏว่าไม่ใช่แฟนเขาเป็นเงาผู้หญิงผมยาวผิวดําเท่านั้นแหละแกะลุกขึ้นปลุกแฟนกับลูกน้องขอนของกลับเลยซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาตีสอง หลังจากนั้นครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ประกอบกับว่าเจ้าของตึกเขาอยากจะได้ตึกคืนคือตอนแรกที่เขาให้ช่างมาทำใหม่เพราะจะให้ลูกชายอยู่แต่เพราะเกิดเรื่องไม่ค่อยดีบวกกับใครมาเช่าก็อยู่ได้ไม่นานมีอาของพิมพ์นี่แหละที่อยู่ได้นานสุดเขาจึงตัดสินใจขอให้ย้ายออก ครอบครัวของพิมพไม่ค่อยลำบากมากเพราะของน้อยแต่อาของพิมพนี่สิมีของเยอะไหนจะของส่วนตัวคอมในร้านอีกเมื่อพิมพย้ายออกจากที่นั่นมาแล้วแม่ของพิมพก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสาพ่อของพิมพก็พูดว่าไม่เคยคิดนะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวเอง ตอนแรกพ่อของพิมพ์ก็มีความเชื่อแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าผีจะมีจริงหรือไม่มีจริงแต่พ่อบอกว่าวันนั้นกลับบ้านมาแล้วเดินขึ้นบันไดชั้นสี่ซึ่งประตูห้องจะอยู่ต่อจากบันไดพ่อของพิมพ์ก็เห็นเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆผมยาวปิดหน้า สวมชุดสีขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูพ่อของพิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในห้องซึ่งพ่อของพิมพ์ใจแข็งมากซึ่งตอนเราได้ฟังเรื่องนี้จากพิมพ์ก็รู้สึกขนลุกเพราะเราเคยไปทำงานกลุ่มที่บ้านพิมพ์ตอนที่พิมพ์อาศัยอยู่ที่ตึกนั้นด้วยแต่ไปตอนกลางวันแล้วอยู่แค่ชั้นล่าง ที่เป็นร้านเกมกับชั้นลอยเราคิดว่าที่พ่อของพิมพ์เห็นผู้หญิงคนนั้นอาจจะด้วยเพราะพ่อของพิมพ์มีเซนถึงได้เจอกับตัวเลยไม่มาเป็นเสียงเหมือนกับที่คนอื่นๆเจอส่วนอากับแฟนของเขาก็ไม่เคยขึ้นมาบนชั้นสเลยอยู่แค่ชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานอนที่ชั้นสองแค่นั้นจริงๆอาจจะเป็นเพราะอารู้ประวัติที่นี่ เลยไม่ขึ้นมาอยู่ขอบคุณที่รับฟังกันนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่พิมพ์เล่าให้เราฟังก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับ